อีกองค์หนึ่งเลยนะว่าคาถาที่ยีหได้ยินว่าพระราชโอรสของพระเจ้าพารณสีทรงอภิเสกแล้วในการละแต่ทรงพระเยาว์นั่นเทียวสเสวยราชสมบัติคิดว่าเป็นกษัตริย์หนุ่มมากเลยนะพระองค์ก็สวยสิริราชสมบัติดุดพระประเจกโพธิสัตว์ที่กล่าวมาแล้วในคาถาแรกวันหนึ่งพระองค์ก็คิดว่าเราสวยราชสมบัติย่อมทําทุกแก่มหาชนจะมีประโยชน์อะไรด้วยบาปอันนั้นเล่า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 นะครับเรีว่าด่าคนอื่นได้อะไรได้ดื่มน้าเมาเอะอะโวยวายที่ไหนก็ไม่มีใครกล้าอะไรเนี่ยนะท่า น, นอำนาจโดยมากเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่ดูโดยธรรมก็มีอํานาจไว้ทํอาฆาตทำเอาไว้ทําบาปทําอกุศล น, นั้นก็เลยคิดว่าโหเนี่ยถ้าเรามีอํานาจอยู่แบบนี้นะทำแต่ทุกให้แก่ชนเป็นอันมากไอ้ทำความทุกข์ให้แก่ชนอื่นเทศเท่าใดบาปก็มาถึงตัวเท่านั้นประโยชน์อะไรด้วยบาปอันนี้เนี่ยนะยิ่งทำมายิ่งทำนานทํามากบาปก็มา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 ซึ่งตั้งอยู่ตามส่วนแล้วเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกมาครับนี่ก็คือละละทั้งหมดนะนะละทรัพย์ทรัพย์มีอะไรบ้างละทรัพย์ธนานี้เนี่ย น, นะละทรัพย์ก็คือแก้วมุกดาแก้วมณีไพลทูลสังศิลาแก้วประพานเงินทองเป็นต้นละธั ญ, ญชาตคือข้าวเปลือกก็คือพวกอปรรณชาตข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวละมานข้าวฟ่างลูกเดือยหญ้า ก, กัดแก่หรือละพวกพ้องญาติมิตร ละทั้งหมดเนี่ยนะก็เรียกว่าละตามส่วนออน่าคิดนะเขาก็ตามส่วนนี่แปลว่าอะไรน่าคิดนะ <c oughs> ละตามส่วนตามส่วนนั้นพระสารีบดีธอธิบายว่าคําว่าตามส่วนความว่าไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละได้ด้วยโสดาปฏิมาอันนี้เรียกว่าละตามส่วนนั้นโสดาปฏิมาละได้เท่าไหร่ไม่ย้อนกลับมาหา อันนั้นอีกแล้วเหมือนคําว่าสุขโตนะผู้เสด็จไปดีแล้วก็คือถ้าไปด้วยโสดาปฏิมาคไม่ย้อนกลับมาหากิเลสที่โสดาปฏิมาคละแล้วไม่ย้อนกลับมาหาสกายทิ่ิวิจิกิจชาและศีลภัตตปรามาตไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละด้วยสกายะคามีมักคือไม่กลับมาหากามราคะและพยาบาทอย่างหยาบไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละแล้วด้วย อนาคามีมาก็คือไม่กลับมหาการมราคะพยาพยาบาทอย่างละเอียดเหมนกันไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละไล่แล้วด้วยอรหัตตมรรคเนี่นะก็คือละรูปาราคาอรคปราค า, ปป า, คามานะอุทจารและอวิชชาอากุศลธรรมที่เหลือโดยประการทั้งปวงเรียกว่าละกิเลสอย่างหยาบด้วยะละ สกเกะกิเลสที่เป็นไปตามทิฏฐิด้วยหน้าโสดาปฏิมรละกิเลสอย่างหยาบด้วยสกะทาคามีมรละกิเลสอย่างละเอียดด้วยอนาคามีมรละกิเลสที่เหลือทั้งหมดด้วยอรหัตตมรเครียกว่าละตามส่วนของมรคือเรียกว่าละตามสัดส่วนนะโซดาปฏิมรละได้แค่ไหนสกะทาคามิมรละได้แค่ไหนอริยมรเหล่านั้นก็ทําแล้วแต่กิจนะเพราะว่าโสดาปฏิมรก็ทําปริญญากิจนะทำปริญญาน้อยก็ละได้น้อยทําปริญญามากก็ละได้มาก เพราะไรเพราะทำให้แจ้งพระนิพพานเป็นที่สิ้นทุกสิ้นทุกตามสัด ส, ส่วนเหล่านั้นนั่นเองพระพเจกพุทธเจ้าพอบวชแล้วท่านก็ บ, บอกว่าละบุตรภริยาทาระนี่แปลว่าภริยานะนะละบุตรละทาระละบิดามารดาละทรัพย์ธรรญชาตพวกพ้องและละกามทั้งหลายตามส่วนเรียกว่าละในที่นี้ก็คือตัดใจได้ด้วยอริยมรรทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่ละแต่กาย แล้วก็เที่ยวไปด้วยอริยมรรคผู้เดียวก็คือตรัสบวชผู้เดียวยืนเดินนั่งนอนแต่เพียงผู้เดียวบรรลุปเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าแต่ผู้เดียวแล้วก็เที่ยวเเป็นไปเหมือนกับหนอแรกฉะนั้นนะนอแรกไม่มีหลายหนอนะมีหนอเดียวเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะเชิพาน